เลนพรษ์แน่ลมตุท่านาวกเรา ไ, ได้มาปฏิบัติธรรมที่ตรงนี้ก็เรียกว่ากระลุก ส, สถิตสฐานนะก็คงเป็นการปฏิบัติธรรมครั้งแรกของสถานที่แห่งนี้ซึ่งพระพงษ์ก็คงทำโรงเรียนโรงบาลุนสถานวัดพระสมฆ์สีนะ่ซึ่งก็ตั้งใจสร้าง ที่ตรงนี้โบเบิกใหม่คนระัเป็นทันที่ปฏิบัติธรรมด้วยเป็นทันที่อบรมสัมมาดาด้วยนะแต่ว่าคำนนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นแรกของที่ตรงนี้นะ<ม>ชื่อก็ดีนะคนะารุคนะารุแปลว่าหนะักแปลว่ามันนะ่นกคงคารุหนักนะนะกะโมเบานะคารุสติทีนะ่แน่นมันนะ่นคง เป็นสถานที่ที่ให้เราได้มาฝึกสติให้มันหนักแน่นให้มันมั่นคงขึ้ น, นเรื่อยๆนะฮนะชื่อก็ดีเนะ่ฮะพวกเราเอีกก็ต้องมาฝึกนะสติคใครคนก็คงจะรู้จักอยู่แล้วนะฮะหรือว่าให้ความสําคัญอยู่แล้วนะฮพรที่จริงสมัยนี้ก็มีเรื่องการฝึกสตินะะเรื่องการปฏิบัติธรรมก็มีสถานที่ใหม่ๆ ใ, ในการฝึกเยอะขึ้นนะ หรือว่ามีคำสอนมีหนังสือที่ข่าวถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการเจริญสติก็เยอะขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งโลกนะพัฒนาไปเยอะเท่าไหร่นะแต่ก่อนหลายคนกนคิดว่านะถ้าเราพัฒน์โลกเราพัฒนามากขึ้นหรือว่าเรามีปิ่ันตางๆมากขึ้นความทุกข์มันก็คงจะน้อยลงไปของมันเอง แต่มันก็ทำให้เราได้เห็นคำตอบนะ ว, ว่าใช่ อ, อ, อยู่ความทุกทางไปในหลายอย่างเนี่ยเราสบายขึ้นเนื่องจากการเจริญหรือการพัฒนาทางนั้นวัตถุนะเช่นเราไม่ต้องไปหาดน้ำนะมาใช้ไม่ต้องไปจุดตะเกียงเวลาต้องใช้ไฟหรือการเดินทางนะเราจะไปที่ไหน มันดูเหมือนไปนะแต่ก็นั่งถหรือว่านั่งเครื่องนั่งรถไฟก็ไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถไปถึงได้ถือสมัยนี้การติดต่อสื่อสารกันแต่ก่อนต้อใช้จดหมายต้องใช้โทรเลขแนตะ่ตอนนี้ก็ใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยการสื่อสารก็เร็วนะแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่า เรื่องทางวัตถุเรื่องทางกายเนี่ยก็สะดวกมากขึ้นแต่มนุษย์ก็เห็นแล้วว่าแต่เรื่องทางใจเนี่ยมันก็ไม่ใด้เป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงฮะอืมเพราะว่ายิ่งเรา ม, มีสิ่งของมากขึ้นภาระทางใจเราก็มากขึ้นไปด้วยยิ่งเรามีหน้าที่การงานมีตําแหน่งมากขึ้นความรับผิดชอบหรือว่าความเหนื่อย ในการต้องทำหน้าที่การงานก็เยะขึ้นกันไปด้วยอันนี้ก็จะเรียกว่าความเจริญขอ ง, งร่างกายูเน่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายเราสะดวสบายมากขึ้นแต่ก็ส่งผลให้จิตใจเราก็วุ่นวายมากขึ้นมันอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพรวมๆนะภาพรวมในโลกปัจจุบันนี้ แต่ น, นั้นมันก็ไม่ฟันธัญเพราะ ว, ว่ามันเป็นเฉพาะนะในตัวเราเป็นแบบไหนเราก็ต้องการมาสารวจดูดูชีวิตจิตใจของเราว่าเราเป็นแบบไหนเราอายุมากขึ้นเราผ่านโลกมากขึ้นเรามีสิ่งของมากขึ้นจิตใจของเราอ่านะมันปุ๊บมากขึ้นหรือว่ามันทุกน้อยลงนะ่านที่เราผ่านชีวิต ต, งตาง่านเราเยอะนีง การที่เรามีสิ่งตางๆมาเยอะขึ้นเนะี่ยมันทําให้จิตใจของเราแตบบ่เรื่องลา ต, าตา่ตางๆวุ่นวายหรือว่าการที่เราเห็นชีวิตนะทาให้เราคงกับมันมากขึ้นท น, นี้เราต้องกลับมาดูตัวของเราเองนะอนะเราการเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าถูกสิ่งของอย่างอื่นเราไม่ไปโทษยุทสมัยนะเพราะที่จริง ท, ท, ทญญา่านจะบ้าไปนะในสมัย พอพระพุทธเจ้าเป็คนที่ทุกข์ก็มีคนไม่ทุกข์ก็มีคนสมัยอาจจะสักแค่สามสิบสี่สิบปีก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนที่ทุกข์ก็มีคนที่เขาไม่ทุกข์ก็มีในสมัยปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่ภาวนานเป็นมีที่พึ้นทางใจไม่ทุกข์ก็เยอะ ค น, นที่ภาวนานไม่เป็นไม่มีที่พึ้นทางใจเขาตุ้ะแล้วก็อนาโคตก็จะเป็นเช่นนี้แหละนะมันเราไม่สามารถจะไปโทษยุคสมัยไม่สามารถที่ไปมองแค่ปัจจัยทางสังคมข้างนอกขั้นที่จริงมันอยู่ที่ว่าใจเรามีที่ขึ้นทาใจไหมใจเราสามารถที่จะมีสติมีปัญญา สามารถพึ่งใจของเราเองได้เปล่าอันนี้แหละคือสิ่งที่อืเราคนให้ความสําคัญครัในการฝึกจิตฝึกใจในเรื่องของวัตถุภายนอกเนียก็มีมันมีที่พึ่งเยอะแล้วบางทีเราทําอะไรไม่เป็นหลายอย่างนะแต่เราสามารถประสานงานหือว่ามีหน่วยงา น, น, นต่างๆที่มาช่วยเราเนี่ยก็สะดวกสบายไปเยอะขึ้นนะแต่ใจของเรานะี่เราถามตัวเองว่า เราสามารถตีใจเราได้หรือเปล่านะเวลามีปัญหาทังใจเราสามารถแก้ไขปัญหาทาังใจของเราได้หรือเปล่านะหรือเวลาเราเจอความพลาดพลาดสูญเสียนะใจมันสามารถยอมรันะแบลแล้วก็ปล่อยวางได้หรือเปล่าแน่นราก็ต้องมาลองเรียนรู้แล้วก็ฝึกหัดกันรูครับ บางทีตอนที่เราไม่มีปัญหานะ่ยมาทีมก็รู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้จาเปน็นเป็นเรื่องที่เออทำตอนไหนก็ได้นะตอนนี้เราก็สบายดีอยู่แต่มันก็ไม่แน่นะนะมันก็ไม่แน่ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะป่วยหรือไม่ญาติพี่น้องของเราจะเสียหรือเปล่า เหตุการณ์อะไรที่ปัจจันธรรมชาติจะเกิดขึ้นหรือไม่เนไม่มีอะไรแน่นอนนะพราะพเจ้าท่านสอนเรื่องความไม่แน่นอนมนาะเป็นสิ่งที่แน่นอนเราสมัยนี้ชอ บ, บทำอะไรที่มันแน่นอนมากขึ้นฟังส่วมันก็ดีแต่คำว่าไม่แน่นอนคือให้เราเกิดใจไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตะโดยเฉพาะชีวิตของเรานะ มันอาจเป็นอะไรที่มันไม่แน่นอนอพเพราะพระเจ้าท่านเปรียบเทียบร่างกายเนี่ยร่างกายเนี้ยเปรียบเส ม, มือนกับพยัคแดงนะพยัคแดง ก, ก็คือว่ามันเป็นเพีแค่ชี่ิที่เกิดขึ้นชั้นๆนะช่วขงๆแต่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตนี่มันนานกว่าพยัคแดงครับแต่พรเจ้าองค์ท่านเปรียบเทียบกับการเวลาที่มันมันผ่านมานานมา เราไม่รู้ว่าเราเกิดกี่ภพกี่ชาตินะเราถึงจะมีชาตินี้ยคําว่าสั้นสั้นในชาตินี้คือชาตินี้มันสัส้นนิดเดียวสั้นเทียบกับชาติเกินก่อนที่เราเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่เราได้เกิดมาชาตินี้สือว่าสั้นมาก <c oughs> อาจจะแค่ร้อยปีร้อยี่สิบปีเป็นอย่างมากแต่พระพุทธงท่านเกียนว่าถ้าถ้ากระดูกของเรานะั่ยไม่เท่าเกื่อยผโกคาร์บไปนะ กระดูของเราเองนะไม่เท่ารวมของคนอื่นในชาติต่างๆที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยสูงกว่าภูเขาพระสุมเมนีเนะี่เรียกว่าสูงมากนะเรียกว่าต้องตายแล้วก็เกิดไม่รู้เป็นน า, านชาติกระดูกพับมสูงขนาดนนะั้นหรือภูมิมเขาบอกว่านะในขณะที่เราเกิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพวภูมิไหน การเจียนความพุกนกมากนั้นพาของเราที่ไหลรวมกันมาเนี่ยมากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่มารวมกันนะ น, นี่คือองค์งท่านชี้ไม่เห็นว่าการเวียนว่ายไปเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่จบวนะิสิ้นสัทีนะสำหรับคนที่นะสหรับเรียกว่าชีวิตของสัตว์รสาททั้งหลายพอพระุองค์ท่านแล้วเ่นเแบบนี้แหละ ท่เลยคิดว่ามันต้องมีทา ง, งทางหนึ่งสที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเรียนทุบตรงนี้อีกเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ทุบไม่ว่าจะเป็นอ่ขนาข้าดพอดีพ่อค้าแม่ขายหรือว่าจะเป็นเจ้างนายจะเป็นนักบวชจะเป็นกรรมกรจะเป็นใครก็ต้องกลับมาเรียนยไหวใจเกิดแล้วก็ต้องมาคนทุบแบบนี้ อยู่รับไปแหะแม่พระพุทธเจ้าท่านเลิกแบบเนี้ยท่านเลี้ยเราต้องหาทางออกจากความทุกขนะ์เราต้องช่วยกระตุ้นที่เขาเลิกจากความทุกขนะ์เราต้องนะเรียกว่าตั้งต้นในการที่นะจะตัดนะวงจรของความทุกข์ให้มันสั้นลงนะเพระพระพุทธ อ, องค์ท่านก็ทําหลายวิธีนะอนะทําหลายวิธี นั่งสมาธิให้จิตสงบนะแต่ก็เห็นว่า ه, ถ้าทําแค่สมาธิจิตมาสงบแต่พอออกจากสมาธิแล้วก็จิตก็ไม่สงบจริงๆนะก็ยังมีความไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตหรือว่าเมื่อเจออะไรกระทบ ก, ก็ยังปุ๊กอยู่เหมือนเดิมแม้จะดลบข้อสมาธิก็หลบได้เพียงแค่ชั่วคราวออกเข้ามาใหม่ก็ยังปุ๊กอยู่เรื่อยไปนะมันก็เลยมันก็ยังไม่เททาง หรือว่าเราคิดว่าต้องทํากายให้มันปุ๊กนะจิตใจมันจะได้พ้นจากความปุ๊กคล้ายๆนะอดทนหรือว่าอดกั้นให้ร่างกายมันทุกข์สุดๆนะเช่นไม่กินข้าวไม่กินน้าอดกั้นลมหายใจเนยะหายใจเข้าไม่ให้มันหายใจออกอะไรพวกนีน้นะคิดว่าทํากายให้มันปุ๊กมากๆมันจะพ้นจากความทุกของมันเอง แต่ท่านกเลยลึกใจว่ามันไม่ใช่ทางกันน ะ, ะเพราะว่าเราทำขนาดนี้แล้วมันยังมไม่ยังมีุกอยู่ยิ่งฟุกมากกว่าต่ำเลยครับท่านมาลึกตรงนี้แหละโอ้ที่จริงเราทำอะไรที่มันตึงเดินไปเนะี่ยมันก็จะขาดมันก็จะแตกได้นอ้อเหมือนสายพินหรือสายดนตรีถ้าเราตึงเกินไปเสียงก็ไม่คร้อง แล้วก็สายก็จะขาดได้แต่ถ้าหย่อนเกินไปก็ยิ่งไม่พร้อมเหมือนกันแล้วก็มันก็มกมันก็ไม่ใช่ทางการที่เรียกว่าทางใส่การหรือทางในความพอดีเนะี่ยคืออะไรความพอดีก็คือคือเรานะคือเราไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่ก่อนเกินไปนี่แหละ <c oughs> พูดง่ายๆนะตึงคือเครียดหนะย่อนคือเพลิน เรียกว่าเราไม่เครียดแล้วก็เราไม่เพลินก็ได้นะเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะต้องสังเกตดูตัวอย่างเลียว่าบางทีกงเพินไปเลยนะเช่นเพลินดูหนังฟังเพลงเพลินในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพลินในการพูดคุยนะหรือเพลินในการคิดเรื่องต่างๆอันนี้เรียกว่าความเพลินแต่อีกส่วนหนึ่งบางทีถ้าเราไม่เพินเราก็เครียดนะ เครียดคือบังคับกดข่มหรือว่าพยายามห้ามนะห้ามความคิดกดข่มความโกรธกดข่มความรู้สึกในจิตใจต่างๆแต่ทางสายการเนี่ยจะเรียกว่าทางที่ไม่เพินแล้วก็ไม่เครียดเป็นทางที่เรียกว่าเป็นผู้ที่คอยดูเอ า, างานฝึกในการที่เรียกว่า วิสจิตในการคอยดูอันนี้เรียกว่าทางสายตานะเมื่อไหรที่เรามีสตินะเราจะดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอารมณ์หือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในร่างกายเนะเราเป็นมีแค่ดูเพราะเฉยคําว่าสติคือความะระลึกได้ว่าตอนเนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่อันนี้คือะระลึกนะเป็นการรู้ตัวว่าตอนนี้กาลังนั่งอยู่นะ ตอนนี้กำลังหายใจเข้าตอนนี้กำลังหายใจออกตอนนี้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวนะหรือว่าตอนนี้ร่างกายเปื่อนไหนมันปวดมันเมื่อยนะนี่คือเราเริ่มรูได้ว่าร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรจิตในรู้ได้ว่าอ๋อร่างกายกำลังทำอะไรนะมันก็กลับมาอยู่กัเนื้อกับตัวภาษานไทยรู้เนื้อรู้ตัวนเคำว่ารู้เนื้อรู้ตัวคือรู้ว่าร่างกาย กำลังทำอะไรอยู่หรืออีกส่วนหนึ่งะมืทีเราก็จะมีรูนะสิ่งที่เราดึงบ่อยๆน้าจากเราดึงตัวลเราดึงใจด้วยคำว่ า, าดึงใจเนี่ยนะมันดึงไปได้ในในสองแบบนะแบบหนึ่งก็คือว่าเราไหลนะเราไหลไปกับอารมณ์ต่างๆไหลไปกับอารมณ์นะตาเห็นรูปนะ ใจก็ไหลไปกับสิ่งที่เห็นหไูได้ยินเสียงนะใจเราก็ไหลไปกับสิ่งที่ได้ยินเรากินอาหารกินขนมอร่อยนะหรือว่าไม่อร่อยนะใจเราก็ไหลไปกับรสชาตินะอนะทางสัมผัสต่างๆนะทางจามูกบ้างนะทางกายบ้างอันนี้คือใจเราจะไหลไปกับอารมณ์ต่างๆนะนี่คือเราไหล หรือทางนะที่ไหลไปบ่อยคือไหลไปกความคิดนะความคิด oh เรานั่งอดีนะคิดเรื่องราวที่ชอบใจก็หัวเ็าะคนเดียวนะคิดเรื่องราวที่ทุกใจก็เศร้าก็นะ้ำตาไหลนะก็อารมณ์นะขุ่นมัวอันนี้คือเราจะไหลไปบ่อยคือไหลไปกัความคิดนะคิดไปอดีตบ้างคิดไปอานาคตบ้าง คือเมื่อกี้ก็คือคิดในเรื่องที่เห็นหรือเรื่องที่ได้กินในปัจจุบันบ้างนั้นทางไหลนะมันมีนทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันนะก็ไหลไปได้นะอันนี้คื อ, อเราหลงในทางอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไหลไปกับมันอีกส่วนหนึ่งก็หลงเหมือนกันนะพยายามบังคับมันนะบังคับให้มันไม่คิดนะบังคับให้มันแบบเอ่อ ให้มันแบบเรียกว่าข่มอารมณ์ไว้อให้มันนิ่งๆเราสังเกตไหมเวลาหลายหลยคนตอนปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนาะเราจะรเรื่ว่าพอเราบอกว่าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมีความคิดว่าเราต้องทําใจให้มันนิ่งๆทำให้มันขึงๆทำให้มันคืๆนๆทำให้มันแบบเด็ดคิดนะนต้องสงบสงบ รเราพยัยามผล่ตัวเองนะฝืนธรรมชาติของจิตใจแต่จริงมันก็คือการหลงไปบังคับเขาไวนะ์อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าบางทีทางที่หลงนะก็คือว่าเราเพินไปกับนะอารมณ์ความชั่งกคือเราบังคับนะเราทําให้เครียดแต่ทางสายทางเนี่ยเราทําตัวให้ปกติทําใจให้ปกติเราเรียนแค่ คอ้ในทึกรู้ว่าตอนเนี้ยร่างกายหรือว่าจิตใจมันเป็นอะไรอยู่แค่นั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าจิตใจนะ่ะจิตใจของเราทุกคนนะ่ะเปรียบเสมือนกับดิงดิงคือมันไม่อยู่นิ่งถ้ามาันจะนิ่งก็คือตอนที่มันหับนะถ้าจะเปรียบเทียบดิงที่มันหับก็คือตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นแหละแต่หลับแล้วยังไงก็ต้องตืง่น ตื่นนั้นก็ไม่อยู่นิ่งหรอกใช่ไหมเราก็ต้องไปนั่นมานี่จิตของเราก็เหมือนกันนะมันก็ไม่นิ่งหรอกนะเราจะบังคับให้มันนิ่งเนี่ยดิ้งมือนก็เหนื่อยคนบังคับดิ้งก็เหนื่อยใช่ไหมอายงใกล้ออกแก่เด็กก็ได้นะเราจะเลี้ยงเด็กให้มันนิ่งนั่งอยู่ตรงนี้นะห้ามไปไหนเด็กมันได้ยินพักพักมันจะเชื่อแต่สักพักก็ดื้อไปละอื ไปเล่นนะไปทำานื่องทำนี่นะอันนี้มันไม่สามารถไปบังคับได้จริงยิ่งเราอยากไปบังคับเน่ยเราก็ยิ่งเหนื่อยเรเราก็ยิ่งเหนื่อยเพราะนั้นหลายๆคนคิดถึงพอวคิดถึงการภาวนาเนี่ยเรามักทำใจให้มันยิ่งเรามักเปลี่หน่างความคิดเรามักทำตัวให้เหมือนคนไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ที่จริงการภาวนาเนี่ยนะเพียงแค่ เราทำใจไม่สบายแล้วก็ค่อยแค่แล้วก็รู้แค่เรารู้ว่าตอนนี้ใจมันไหลไปคิดแล้วสติมันจะดึงกลับมาอะากลับมาแต่อะไรก็คือกลับมาจากความคิดมันนั่นั่แนแหละนะมันจะไม่คิดต่อมันจะหยุดแค่ตรง น, นั้นหรือเมื่อไร่ที่เรารู้ทันว่าอารมณ์ะอะไรเกิดขึ้นในจิตเมือ่อสติเรามีกำลังมากพอนะมันจะตัดเลยนะ ให้มันโกรธขึ้นมาเนี่ยพอเราเห็นว่าจิตมันโกรเนี่ยมันตัดตรงนั้นดีนอันนี้คือปัญาสติเราพอนะมันจะเห็นแต่ก็อย่างที่ว่าบางครั้งสติมันไม่พอมันมีกําลังไม่มากเราก็เลยต้องนอนเพิ่มพ้ารังคือเพิ่มกําลังของสติให้มันให้มันมากขึ้นนะเพราะบางทีเรารู้แต่มันถึกไม่อยู่ เหมือนกับเด็กอ่ะเวลาเด็กเวลเราจับปัดที่มันตัวใหญ่ถ้ามันพาเราวิ่งเนี่ยเราก็จุดมันไม่อยู่มันก็ไปประมาณนั้นเดี๋ยวว่าเหมือนกับรถที่เราวิ่งเร็วๆเราแตะเบกคทั้งเดียวมันไม่อยู่มันก็ต้องมาใส่แตะเบรคหลายๆครั้งเพื่อที่จะหยุดกลังจิตของเราก็เหมือนกันนะถ้าสติของเราไม่พอสมาที่ของเราไม่พอ อารมณ์หรือว่าความคิดที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยก็จะละมันไม่ได้หรอ่ะแต่บางทีเวลาเราปฏิบัติธัรมเราพอเราคิดเจ็ดหกห้ามพอเราห้ามไม่ได้เนี่ยเราก็จะโกรธตัวเรานี่อุยไม่น่าไปคิดเลยนะไม่น่าไปหลงเลยนะเราก็จะมาโทษตัวเราเองที่ไม่ดีนะไม่ด like ีที่คิดไม่ดีที่ตดิไม่ทัน ไม่ดีที่เรียกว่าอทําจิตให้สงบไม่ได้บางคนเวลาภาวนาก็จะมีปัญหาเลยภาวนาแล้วจะบอกว่าทำทำนั้นไม่สงบก็เลยไม่อยากปฏิบัติธรรมที่ว่าไ ป, ปนั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมนั้นไม่ไม่เห็นสงบเลยไม่เห็นได้ไประโยชน์อะไรเลยที่จริงมันก็ถูกนะทำแล้วมันไม่สงบเนี่ยมันะมันเป็นธรรมชาตินะ มันน้อยมากคนที่มาเป็นปฏิบัติธรรมแรกก็มันจะสงบเลยนะแต่ถ้าทําแบบสมาธิจริงๆนะหรือว่าบรรยากาศดีจริงๆแล้วอาจจะทําได้ครับแต่ในที่นี้เราจะไม่เน้นเรื่องการทรําจิตให้มันสงบแบบเป็นสมาธนะิในที่นี้เราจะเน้นอย่างที่ชื่อนะครับว่าเป็นคอยรู้สตินะเป็นการทําให้สติเรามีกำลังที่มันเข้มแข็งขึ้นนะ หรือว่ามันมั่นคงขึ้นเนะมื่อสติของเรามั่นคงเข้มแข็งขึ้นนะแม้มีความคิดแม้มีความรู้สึกนะแต่มันพอมันมั่นคงมันจะไม่ไหลไปลมันจะไม่ไหลมันจะไม่หลงไปคล้ายๆเปรียบตัเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะลงพัดมาเนะี่ยถ้ามันไม่เป็นพายุไซโคลนขนาหนักจริงมันไม่โค่นะ มันก็อาจจะแค่รู้สึกว่ามีลมพัดผ่านแต่เราไม่ลมไม่ลมเหมือนกับอาคารบ้านเรือนที่ที่ว่าสร้างเนี่ยมั่นคงอ่ะพอมีอะไรมันก็ทบแผ่วดินไหวหรือว่าน้ำท่วมใหญ่นะมันก็ไม่เป็นปัญหามันก็ไม่เป็นไรจิตใจของเราก็เหมือนกันอ่ะมันมีอารมณ์มันมีความรู้สึกแต่ถึงแต้ว่าเราเห็นมัน เรารู้ทันมันเนี่ยมันจะไ ม, ม, ะไม่มันจะไม่เกิดั่นไปไปจมในกับอารมณ์ความรู้สึกนะั้นไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความโกรธนะนักปฏิบัติธรรหลายคนก็มีความโกรธแต่โกรธแล้วพอสติเรทันเนี่ยมันจะเห็นเห็นแล้วมันไงเห็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนสภาวะจิตมันยิ้มนยิ้มเพราะอะไรยิ้มเพราะรู้ทัน รู้ทันที่มันเมื่อกี้มันเถือไปโกรธมีคนมาว่าเรามันเถือไปโกรธไม่พอใจที่เขามาว่าเราพอสติมันทันว่าฮึจิตมันโกรธขึ้นมานะมันที่ใช้มันแยกมาอ่ะนะตอนเมื่อกี้มันไหลไปเป็นมันเป็นไปเป็นผู้โกรธพอเรามสติทันมันมันถอยออกมาเป็นผู้ดูพอมาดูแล้วมันมันพอมาดูแล้วมันมันก็หยุดอกมา จิตเกิดสภาวะเรียว่าจิตมันยิบยิ้มพรอไไรยิบมเพรเห็นอารมณ์พอเห็นนะมันไม่เผาะเห็นนะมันไม่เผาคล้ายๆเหมือนเราเผลอไปปลูกของเงแหลมๆของรวอนๆพอเรารู้ตัวว่ามันปลูกของร้มันมันก็ชักมือกลับมาพอมันดีจิตก็เหมือนเชนนะจิตพอมันรู้ทันพารม์เนี่ยมันก็ปล่อยมันมาส่วนใหญ่หลายๆคนนะ ก็่าจจะเห็นนะตัวที่เห็นแหนะแกล่นี่จะเป็นความไม่พอใจหรือว่าความโกรธนะคือตระกูลโทสะเนี่ยมันจะค่อนข้า ง, างยากนะโทสะความไม่พอใจความโกรธความเกลียดนะเพรนั่้มันจะยากเพราะอะไรมันจะรู้สึกปุก๊บนะเมื่อเราโกรธเมื่อเราไม่พอใจอะไรที่อย่างเนี่ยมันจะรู้สึกปุ๊กรู้สึกไม่สบายนะ แต่บาที่อารมณ์ที่มันละเอียดขึ้นนะ่ะเช่นความโลภ ค, ความโลภนะี่ยอยากได้นะสิ่งนนต่างนะส่วใหญ่พอมันคิดโลภนะมันจะเกลียดที่ความสุขใช่ไหมนะเกี่ยดที่ความสุขเป็นก็สุขเป็นปุ๊บนะสุขเพราะในคิดว่าถ้าเราได้แบบนั้นมาเราจะมีความสุข <c oughs> มันก็จินตนาการไปเป็นความสุขนะถ้าเราได้อืมโทรศัพท์ ในใหมใหให่ที่มาจะมีความสุขถ้าเราได้ลดคันสุดรวยจะมีความสุขถ้าเราได้อะไรก็อยากนะแต่คนนะมันจะคิดก็มีความสุขอะแค่คิดอยากจะได้นเนี่ยก็มีความสุขแต่เอาเข่าที่จริงเนก็เป็นเหรียดสองด้านนะตอนมันยังไม่ได้เนี่ยก็สึกทุกข์เหมือนกันแ่ละทำใจดีทีได้มาเนาะคือ <c oughs> ที่จริงพองมันได้มาแล้วที่จริงมันก็ทุกข์นะมันหวงแหนมันกลัวจะสูญเสียไปนะ่ะ บางทีความโลภเนี่ยมันก็ทั้งสุขแล้ก็ทุกข์คนกันนะมันเห็นสองด้านตอนที่คิดบวกมันก็ดูเหมือนเป็นความสุขนะแต่พอท่านคิดลบมันก็เห็นความทุกนะอันนี้คือความความโลภมันก็จะเห็นเห็นยากหม่แต่ความหลงเนี่ยบางทีมันละเห็นมากนะคำว่าความวิชาเนี่ยเมบางทีทับแปงโต้โต้ไปว่าไม่รู้ แต่จริงอวิชานี่ถ้าจะพูดให้ครบก็คือว่าเราม่รู้ความจริงเรารู้อยู่แต่ไม่รู้ความจริงความจริงคืออะไรครูชาติท่านก็เลยสอนในอริยศสตรส์สคือความจริงอันประเสริฐสี่ประการท่านสอนว่าอะไรทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มาทุกคืออะไรร่างกายแล้วก็จิตใจนี่แหละมันเป็นทุก นี่ขวคือความจริง น, นะที่เราไม่รู้นะหรือบางทีเราจะรู้ด้วยความจําแต่เราไม่รู้แจ้งด้วยจิตใจการภาวน า, าคือเรามาพัฒนาทำไ ง, งจิตแจ่มจะรู้แจ้งอ ร, ริยสัจทั้งสี่นี่แหละนะเรามาดูจริงจิงร่างกายมันมุ๊บไหมเราไม่เห็นมันปุ๊บนะแต่บางทีเราก็รู้สึกความจริงก็สุดนะใช่ไหมอยู่ในห้องแอร์เนี่ยความสุดนะใช่ไหม หรือเราไม่ปวดตาไม่เจ็บอะไรต่างๆเราก็คิดว่าเป็นความสุขจริงๆแต่มันเป็นความสุขแบบหยาบๆนะแต่จริงทุกที่พูะเจ้าพูดถึงมันละเอียดเลยนะเราหายใจเข้าขัา้นลมหายใจไว้ไม่ยอมให้มันหายใจออกเนนะี่ยมันฟุ้งนะเราบอกเราจะดืมตาตลอดไม่ตะลุตาเลยเนะี่ยมันก็ไม่ได้มันฟุ้งเลยต่อภาวะของมันเอง ร่างกายเนี่ยมันมีเด่นกลเรากินข้าวเรานอนหลับกราทำอะไรก็แล้วแต่เราทำอะไรที่เราไม่ว่าสบายที่เกิดนะมันก็สบายไม่มายครอที่บอกว่า้องหายใจเข้าสบายอากาศสดชื่นหายใจใจใจกระทํามันก็ไม่สบายแล้ะหายใจก็มันก็เหนื่นยครับไม่อยากหาใจออกไม่ได้เรานอนโซฟาไหนที่เราไปลองนอนเนะในร้านพาุนอนสบาย ในอ่ไปสักพักมันก็ไม่สบายแล้วถ้าก็ต้องปรับเปลี่ยนยนี่ยหมก็ต้องอยากจะทุเจอ้ ก, ก็ต้องปรับเปลี่ยนเรียหมดเรานั่งก็เหมือนกันกอร น, นั่งขัดสมาธิก็ น, นั่งฟังเพียบแต่ว่ามันสบายแล้วนะท่านเนี้ยเกิดตื่นน้อนก็ได้เอมหลังก็ได้ถ้าพักเนึ่ยมันก็ไม่สบายอ่ะนี่สื่อกายแสดงความทุกข์นะให้เราเห็นว่ากายเนะี้ยมันเป็นตัวทุกขนะ์เราจะไปเชื่อว่าเป็นตัวดีนะเป็นตัววิเศษ มันมีแต่ก้อนทุกข์ทั้งนั้นนะแต่เราก็อยู่กับกายเนี่ย น, นะเราก็ดูแลมันไปใจสิ่งหนึ่งคือจิตใจเนี่ยก็เหมือนกันนะจิตใจเนะี่ยมันมีสภาวะทุกข์ทุกข์คืออะไรมันอยู่ในสภ า, าวะเดิมไม่ได้นานหรอกนั้นเราบังคับมันไม่ได้หรอกนะความจริงเนะี่ยเขาแสดงคนให้เห็นว่ามันทุกขนะ์มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะมันเปลี่ยนรนะ่างกายมันก็เปลี่ยน จิตใจมันก็เปลี่ยนนะไม่บังคับเป็นชาไม่ได้เนานะและให้เราเห็นนะถ้าเราเห็นโอ้ความจริงเนี่ยมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแต่ถิ่นแบบว่าบางทีเราก็ไม่เห็นคือบางทีเราก็ยังไม่เข้าใจเปนอย่างแจ่มแจม้ง น, นะเราก็เลยอยากียึดอยากจะถืออยากจะบังคับให้เป็นอย่างที่ใจของเราต้องการการที่เรามาทำงาน ทำให้เราเห็นความจริงเนี่ยแจกแจ้งนะแต่มันก็เชื่อว่าไหลตัวก็คงรู้ในเชิงทฤษฎีครับสมัยนี้หนังสือก็มีเยอะซีดีก็มีเยอะนะนะมันก็ทําให้เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแต่การได้ยินได้ฟังตก็เหมือนเป็นตัวเริ่มต้นครับเป็นตัวเบริ่มต้นหรือบางทีเรารู้สึกไหมบงทีพอเรามีปัญหาเราคิดพิจารณาความนในบางทีเราก็เข้าใจนะ ก็ใจเหตุ้็ใจผลก็ใจหลักการก็ใจหลักธรรมแต่ใจมันไม่ค่อยยอมรับอืใจ ม, มันก็ยังอืมบางกีเราก็ดูนะก็เราก็ต้องแก่เราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องตายคนอื่นก็ต้องเป็นเหมือนเราเนี่ยแหละนะแต่พอเราเจของตัวมันใจไม่ค่อยยอมรับเราก็เลยคลุกใจเราก็เลยเท้าใจแต่การภาวนาเนี่ยนะมันเหมือนเหมือนเรามาทําที่มัน เราสามารถเป็นนะเป็นสิ่งเราทำตัว น, นั้นได้ก็คือว่าทำเองถ้งจะไม่ทุกข์นะเฉพาะเปลี่ยนถาเก็บเรี่องง่ายๆนะท่าบอกว่าเหมือนกับข้าวข้าวมันมีเมื่อเราแบบเก็บเกี่ยวข้าวได้นะมันก็ได้เป็นไรได้เป็นข้าสาราได้เป็นข้าเปลือกนะข้าเปลือกเนะี่ยมันก็ดีนะแต่เรียนกินไม่ได้ ขเ้เปลือกก็ไปสีมันก็เป็นข้าวสารอข้าวสารเองก็ยังกินไม่ได้มือนกันต้มหุงจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวนึ่งมันถึงกินได้ความรู้ที่ภาษาพระเขาเรียกว่าปริยัตนะิปริยัติคืออในเชิงทฤษฎีในเชิงการอ่านในเชิงการฟัเนี่ยเขาเรียกปริยัติหลวงพ่เขียนให้เปลี่ยนว่าเป็นเหมือนกับข้าเปลือก มันก็ดีอยูน่นะแต่มันก็ยังอเอาไปใช้ไม่ได้นะหรือความรู้ที่เกิดจากการคิดได้นะพิจนารณาโดยความคิดโดยหลักเหตุผลโดยหลักปัจจัยอนะมันก็เปรียบเสมอนับบข้าวสารที่ถีออกมาแล้วนะคิดได้นะแต่มันก็ยังกินไม่ได้แต่ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการภาวนาจนท่านเกิดผลได้ คือหมาอนแบเข้าสวยข้าวนึ่งที่เอามากินได้นะก็คือว่ามาทําได้จริงนะมาทําได้จิตนะใจของเราจริงนะอันนี้นเราลองมาทําให้มันเยอะๆมากขึ้นนะนั้นการฝึกสติก็คือว่าเราฝึกทําให้ความจริงนะั้นมันแจ่มแจ้งในจิตใจของเราะเมื่อเราเห็นประภาวัตรทำบ่อยๆนะมันจะเกิดความจําได้ ไม่มีทางรัฐทางไหนนะมันมีแต่ต้องเนี่ยทําให้มันเยอะแยะนะเท่คล้ายเหมือนกับเราท่องเราท่องฝึกภาษาจีนหรือภาษาภาษาอื่นนะเราก็ต้องท่องบ่อยๆฟังบ่อยๆมันถึงจะจำได้จิตต้องเหมือนกันมันต้องกลับมาเห็นเห็นสภาวะทำบ่อยๆมันถึงจะเรื่องได้เหมืนอนกันดีเราต้องคอยมาฝักมาฝึกนะเนี่ยเช่น เราฝึกเราจะรู้การหายใจก็ดีเครื่องรู้การยืนเดินนั่งนอนก็ดีรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งการตะโกก็ดีเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันจําได้อ๋อนี่มันเคลื่อนไหวเลยมะั้งเคลื่อนไหวคอยรู้สึกกระโกนคอยรู้สึกหายใจคอยรู้สึกเนี่ยให้จิตมันจําได้นี่พอจิตมันจําได้เราไปเราไปเคลื่อนไหวอย่างอื่นมันก็จะเริ่มได้เองอ๋อ ตก็จำได้เองนะมันจำได้ต่อไปพอมันจำได้บ่อยเนี่ยก็ไม่ต้องตั้งใจมากนะแต่ตอนแรกๆเนี่ยจิตมันมักจะเผือบ่อยมันก็เลยต้องอาศัยความตั้งใจมากหน่อยตั้งใจนะเช่นเราภาวนาเรียว่าตั้งใจรู้สึกตั้งใจที่มือตั้งใจยกมือตั้งใจเอามาวางไว้ตั้งใจเดินนะ คือตั้งใจก็คือเอาใจเข้าไปใส่ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คนะือเอาใจใส่เรียกว่ามีความตั้งใจเข้าไปเมื่อเรามีความตั้งใ จ, นะจเนี่ยจิก็จะเกิดขึ้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นมะาแต่คาว่าเอาใจใส่นะี่ไม่ใช่ว่าให้เราจ้องนะไม่ใช่ว่าเราเดินอยู่ก็เอาใจใส่อยู่ที่เทา้านะเอาใจใส่นี่คือารู้ตัวแบบวดนๆนะแค่รู้ตัวนะแค่รู้ตัว ให so, right. so, right? so, um, ้ใจอยู่กับเรื่องกับตัวนะนี่คือเรียกว่าเอาใจใส่นะแต่การเอาใจไปเพ่งอยู่แค่ส่วนในเัวเนี้ยนันเรียกว่าจอบนะต่างกันนะคำว่าเอาใจใส่คือเราตั้งใจที่จะทําอะไรที่ได้อย่างแล้วก็ค่อยเราสติคอยรู้นะหรือว่าให้ใจเราอยู่กับสิ่งที่เรากระทาอยู่ตรงนั้นเมื่อเราทําอยู่ตรงนี้บ่อยๆนะอย่างที่บอกว่าจิตมันจะไม่ค่อยอยู่นี่ เช่นเราเคื่อนไหวเราคอยรื่องรู้นะเนี่ยเวลารู้ลมหายใจคอยเรื่รึกรู้จิตมันเคลื่อนผืิคิดนะจิตมันก็จะฟุ้งออกไปที่อื่นเหมือนตอนเนี้โยมลองดูอย่างตอนเราสวดมนต์เมืม่อกี้นะถ้าใครเรื่องใต้ว่าเมื่อกี้เราก็ไม่อยู่กาสรสวดมนต์ตลอดนะบางทีเราก็แท๊บไปนะเรื่องที่บ้านเรื่องงานหรือถ้าใกังวลอะไรก็ไม่รู้นะ อาจารย์มันไ ม, ไ, ม ไ, มไม่บอกหน้าเนาะหน้าเท่าไหร่ก็คิดไปมันก็มัมนก็แท็บไม่ใช่ความคินนะมันแท็บความไปเห็นนะมันแท็บไปละนะแต่แลบไปแล้วนะเฉยแล้วก็ก ล, ลับมาได้หรือแทไปแล้วก็ปรงต่อยอย่างอื่นนะฮะเป็นพอใจเป็นไม่พอใจใช่ไหมอืมอันนี้สื่อเหมือนก็แท็บไปหรือเวลาเรานั่งฟังธรรมเทศมุทีใจก็ไม่หยุดฟังฟังตลอด น, นะมันต้องมีแทเบไว่างแทเบไว่างนะ แต่พอเราตั้งใจก่อนมาเ้าเราก็มาอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนาะเราเลยตั้งใจฟังเทศแล้วก็ตั้งใจเราเริ่มยกมืออยู่แล้วก็ตับมานั้นการฝึกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่แวบแต่เราฝึกให้มันตับมาจากความแวบใจของความคิดให้มันเร็วๆนะให้มันเร็วๆเวลาเราฝึกปฏิบาาัติธรรมนะว่าจะคิดว่าจะมีอารมณ์ก็ไม่เป็นไรนะเราก็กลับมานะ กลับมาใหม่กลับมาใหม่เมื่อเราทำแบนี้เราจะเห็นว่าเรามันคิดบ่อยก็จริงแต่มันคิดไม่มานะมันมีเรื่องเราปรุงแต่งในจิตเยอะเลยแต่มันไม่ค่อยเป็นอารมณ์คล้ายๆมันเหมือนคล้ายๆมันคิดทคเดียวมันไม่ทันจะปุงเป็นอารมณ์ชอบอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอะไรมากมายนะมันเหมือนคล้ายๆต้นหญ้านมันขึ้นขึ้นมาเราก็ถอนขึ้นมาก็ไม่ถอนมันก็มีลบ หรือว่าคือเนี่ยนะนะเรากว่านเราถูไปบ่อยมันก็สะอาดใช่ไหมแต่ถ้าเรานานๆากว่านนานๆถูมันก็สก ป, ปรปกจิตก็เหมือนกันอะไร น, นะจิตถ้าไม่เราไม่ปล่อยให้มันไปหก ม, มุม่นกับความคิดกับอารมณ์นานๆเนะี่ยมันก็ไม่มันก็อารมณ์มันไม่มีปรุงเย้ะนะไม่กลายเป็นความโกรธไม่กลายเป็นความโมโหไม่กลายเป็นความหลงกับเจียวยาวนะอันนี้คือ มันจะกลัดมาบ่ยบอยๆนะพอเรากลัดมาบ่ยบอยๆเนี่ยจิตมันก็อ๋อจำได้แล้วมันหลงไปแล้วนะมันก็กลัดมาเองหลงไปแล้วนะกลัดมาเองนั่นคือการที่เราเรียกว่ามาฝุกสติเนาะนะเราก็ทําไปนะมันจะเกิดผลด้วยตัวของเราเองอนะแหละเราจะเลืรู้อยู่กับปัจจุบันได้บ่ยบอยๆนะเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะการฝึกก็คือให้เราอยู่กับเนื้อกับตัว คอยระลึกว่าเรากาลังทอะไรอยู่หรือว่าตอนที่ใจมันเถื่อไปแราต้อคอยวิสติรู้ทันมันเถือไปแค่รู้ทันะนะไม่ต้องเตะห้ามนะไม่ต้องเตะไม่คอยใจที่มันเถือแค่รู้เฉยเฉยนะมันจะตกของมันเองนะคล้ายๆเหมือนมีเราเถื่อไปหยิบอะไรการรู้เหมือ น, นออก็แท่ความมืดมนมันก็จะตกไปจิตที่รุ่ยเฉมเหมือน อารมณ์เลขึ้นมาแล้วแต่มันก็ตกไปประมาณนี้นะเรียกว่ามันไม่มีที่ตั้งไม่มีที่หลักประกันอารมณ์พอไม่มีที่ตั้งม่มีที่หลักประกันมันก็มันก็หายไปปรมาณี้นะไม่ต้องไปทําอะไรเจ้ามากเลยมันอันี้แต่นใหม่ๆมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นมันก็คล้ายๆมันก็ยังเผลอไปอารมณ์แต่พอเรามาในเรื่องตูวกับร่างกายก่อนเนี่ยมันก็จะวางได้นะมาวาง ว า, างอารมณ์ความคิดต่างๆได้ก่อนมันก็่อยมารู้กายแต่ก็ไม่ใช่ว่าปีจ้องยืนแต่กัวกายเพราะเพราะอะไรเพราะที่จริงตัวธรรมที่มันจะเกิดปัญญาจริงก็คือการรู้ผ่านกิเลสนะร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวกิเลสนะมันเป็นเพียงแค่เรียกว่าอะไรอ่ะที่แสดงนะของกิเลสนะตัวกิเลสจริงคือตัวจิต หรือตัวนมามธรรมนะแต่ร่างกายมันเป็นที่แสดงออกนะเช่นเรามีความรู้สึกอะไรในใ จ, ใจิตใจนะที่มันเป็นตัวเกิดขึ้นมาเนะี่ยบางทีเรารู้คนอื่นเราไม่รูนะเนาะแต่เมื่อเขาพูดอเมื่อเขาแสดงท่าทีออกมาการกระทำเนะี่ยเราถึงรู้ได้หรือแม้แต่ตัวเราเองใช่ไหมเช่นเราคิดไม่พอใจใครบางคนเนะี่ยถ้าเราคิดไม่นิ่งเฉยเฉยเนี่ยเราไม่ทําเนะี่ย คนเขาไ่ดูล้ว่าเราปวดเขานี่คือจิตใจมันเป็นเพียงแค่มันใช้ใช้มันจะเป็นตัวสั่งให้กายมันทำนะแต่ถ้าเรารู้เฉยๆนะมันก็พอเราไม่สนองมันนะมันก็หายไปตองมันเองละแหละเพราะว่าอะไรความจริงคือว่าทุกอารมณ์เนี่ยมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ถัยไป เราไม่ได้โกรธตลอดทั้งวันหรอกเราโกรธตอนที่เราหลงเราโกรธตอนที่เราคิดบางคนเคยโอบหักก็ไม่ให้โอบหัอทั้งวันทั้งคืนนะโอบหากตอนพิคิดถึงคนที่ทิ้งเราไปเราเจ็บช้ำนะ้ำใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็หลงไปแล้วปุกบแ่เฉพาะตอนที่เราเปิดพิคิด็นรเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือบางอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นนะ แต่เราก็ทุกโลงหน้าได้ใช่ไหอ้นาำพุเนี่ยบาทีเราคิดวางแผนอะไรแล้วมันเหมือนเป็นจริงเป็นจัง่ามาจะไม่ได้ตามแผนนะเราก็ทุกโลงหน้าเลยเท่านี้มันยังไม่เปิด <c ười> เลยใช่ไหมอันนี้แหละคือเราหลงไปทุบเพราะว่าเราหลงไปคิดนี่แหละกครบิดอีกคือเรากลับมากลับมาจากความคิดกลับมาจากความลงนี่แหละไม่ได้ทําสิดเรา ng, ปเรา ng, ป็นปกติได้ อั น, นี่ยคือสิ่งที่เราลองฝึกแล้วก็ทําให้มันเป็นชีวิตจิตใจของเราครับเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเนาะได้พอปฏิบัติทำในรูปแบบก็ดีหรือว่าเราทํากิจอย่างอื่นในชีวิตประจำวันของเราก็ดีเราเพียงแค่คอยเลียรู้นะจะให้ใจเผยไปนานนะจะทํำอะไร้วแด้ถ้าคอยตามรู้มันไป ยีบวดย่อยๆยีบวดธรรมดาเนี่ยก็สำคัญนโยมนะติดมันต้องทำมันต่อเนื่องเนี่ยให้มันต่อเนื่องนะเป็นลูกโซ่นะต่อเนื่องไปบ่อ ย, อยมาถึงจะเกิดมันถึงจะเกิดผลที่มันเ็วขึ้นนะคล้ายๆเหมือนกับเราต้มน้ำนะเราก็ต้องเติมความร้อนไปบ่อยๆน้ำมันถึงจะเดือดนะถ้าเราเดียวเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟ เดี่ยวเสียบปักแล้วก็ถอดปักเนี่ยน้ำมันก็ไม่เดือใส่คนภาวนาแล้วไม่ค่อยเกิดปัญญาแต่ว่ไม่ค่อยเกิดผลชัดมากเพราะว่าเนี่ยเราไม่ทำให้มาต่อเนื่องนั้นการกระทําในรูปแบบก็ดีหรือว่าการทํานอกรูปแบบก็ดีนะทําให้มันต่อเนื่อง น, นะนแต่คําว่ า, าบบต่อเนื่อ ง, อ ง, งไม่ใช่ว่ามันจะ ต, ต้องจิตต้องสงบต้องไม่คิดไม่ใช่นะคําว่าต่อเนื่องก็คือว่า เมื่อเผลอไปรู้ทันนี่ก็ถือว่ามีสติเหมือนกันน ะ, นะไม่ใช่ว่ามันจะต้องไม่คิดต้องสงบนะขั้าตอนนั้นคอนือจีตยังเปิดไหนก็ได้แต่คอยมีสติคอยเลือกรู้อยู่บ่อยบ่อยหรือว่ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาในจิตแล้วก็คอยเลือกรู้บ่อยบ่อยนี่แหละนี่คือความต่อเนื่องที่เราพยายามฝึกนะแต่ที่จริงผลนะบางทีแม้ว่าไม่ใช่ว่ามันจะต้องต่อเนื่องตลอด เป็นเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันคือจ็ดเอ็นคนแต่จริงตอนไหนที่เราเลื่อนได้นะมันก็เกิดความสบายใจเกิดความไม่ทุกข์ใจแล้วนะเช่นเะนี่ยเราทิ้งมือรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกเห็นรงหายใจเข้ารงหายใจออกเนะ่ยจิตมันไม่มีคิดเรื่องอื่นเนะ่ยมันก็คือความสงบแล้วใช่ไหมมันก็คือการมีสติแล้ว มันก็คือความไม่ปุกแล้วนะจะเรียกว่าเมื่อไรที่เรารู้สึกตัวเมื่อนั้นมันก็ไม่ปุกแล้วในขนาดหนึ่งนะแต่เราสะสมการไม่ปุกทีละขณะทีละขณะทีละขณะเ น, น, น, นี่แหะเรียกว่าทําให้มันต่อเนื่องบ่อยๆครับอันนี้แหละเหมือนแบบลมแอร์ก็ออกมาบ่อยๆออกมาบ่อยๆออกมาบ่อยๆความเย็นนะความสบายมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยะอันนี้สิเราก็คอยมีสติ รู้ฟัวไปบ่อ ย, อ น, อยนั่นแหละให้มันต่อเนื่องใ้นเยอะนี่คืออี่ที่เรามาลองฝึกแต่ น, น็อสวันนี้ก็หลายคนก็คงเคยฝึกมาแล้วก็มามาฝึกเพิ่มนะบางคนอาจจะยไม่เคยฝึกก็เข้ามาฝึกเกินใหม่แต่ต้องทำใจนะสำหรับคนใหม่ก็ดีหรือสำหรับคนเก่าที่อาจจะไม่ค่อยได้ฝึกต่อเ น, นื่องในชีวิตจริงก็ดีบางที กี่คอนนี่ก็ว่มันก็น่าเสียดายนะมันแค่ตอบสามวันมันทําพอให้มันไดอารมณ์แล้วก็เลิกนะแต่จริงมันจะได้ผลจริงเจ็ดวันขึ้นไปมันจะดีเหมือนช่งสองสามาันแรกช่วงปรับตัวอ่าปรับตัวจากความปุ้งสร้างการทงานที่เราทํามาไม่รู้กี่วันกี่เดือนมากก็เลยมันเข้าคอร์สเนี่ยะมันก็ปรุงสร้างเยอะมีพวกมีเรื่องหัวของวลเยอะ หรือคนใหม่เองบางที่็มันจับหลักไม่ได้เ <c oughs> อ <c oughs> เคยทําแต่สมาธิพอมาทําสติมันทําไม่เป็นนหรือว่ายังไม่เข้าใจหลักในการทําทีว่า ต, ต้องว่าต้องวางใจเนี่ยนะสำหรับเคนใหม่ก็ดีหรือว่าสำหรับคนที่ไม่คยได้ทําตอนนี้นก็ดีมัจะรู้สึกทำแล้วทุกขทุกเพราความสงสัยว่าทุกเพราความม่วบ้างทุกเพราะ มันไม่สงบเลยนะะแต่เราก็ค่อยๆแต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคล้ายๆเหมือนกับยาเรากินยาบางทีก็เป็นมาเป็นวันนะ่ะกินแล้วมันก็ง่วงนอนนะมันก็เป็นช่วงที่มันเหมือนพอปะมาณแต่พอมันง่วงนอนได้หลับไปตื่นขึ้นมาก็สดชื่นขึ้นนะมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านบ้างนะแต่ที่จริงมันก็เป็นช่วงที่เราได้พัฒนา ตัวเราเนะีเพราะอะไรถ้าเราไม่ปฏิบัติเข้าคอร์สบางทีมันม่วงนิดนึงเนี่ยนะเราก็ไม่อยากจะสู้แนะครับหรือพอมันฟุ้งซ่านมันมคิดนื่นนั่นนี่บางทีเราก็เบื่ออ่ะแล้วก็อยากจะสนองแล้วหรือบางทีเราเบื่อมา ก, มากๆเราก็อยากจะไปทำอย่างอื่นละแต่เราลองฝืนทําำลองอยู่ในรูปแบบนี้เยอะๆนะมันจะทําให้เราเอิ้นมันม่วงขนาดนี้นะพอฝืนไปสักพักนึ่งมันก็ มันก็หายงวงได้นะเดี๋ยที่ฟุ้งมากว่างทีฟุ้งคิดหน่คิดนี่แต่พอทำไปเลยครับมวามฟุ้งมันก็ลดลงเนาะความสงบ้ามาแทนที่หรือบาทีก็อาจะฟุ้งเหมือนเดิมแหละแต่จิตมันไม่รําคารมันจะมันก็ธรรมดาเหมือนแต่ก่อนเรารําคารเวลาแบบคนเสียงดังเดี๋ยเด็กมันรื่นวายนะแต่พอเราวางใจได้มันก็แค่เสียงตานก็เสียง แต่เราไปหลงปีไม่พอใจเองช่ไคือเด็กมันวุ่นวายก็เรื่ของเด็กมัก็ธรรมดาใจเรามองเปนเรื่องธรรมดามันก็ไม่ทุกนะอันนี้ น, นี่คือตัวใจเราที่มันวางดีขึ้นนะเนื่องจากเรามีสติปัญญามากขึ้นนะมันก็เลยเกิดความทุกข์ใจแต่นี่เนาะเราก็ต้องทําไปส่วนคนที่เคยทํามาต่อเ น, นื่องแล้วว่าเขาพัฒนาไปัแอ่าไม่ต้องสงสัยอะไรมากเรา เราแน่ใจแล้วว่าทางนี้เป็นทางที่เราเริ่มเรียนเริ่มฝึกนะก็ขอให้เราได้ตั้งเจฝึกต่อไปนะอมะก็คงไป่ต้องแนะนําอะไรกันมากสำหรับผู้เก่ากนะ็าจะมีสำหรับผู้ใหม่บ้างที่ที่ทอาจจะยังไม่ค่อยใจมนะนะาะก็เราก็มาร่วมกันปฏิบัติกันรนะสดับเนะีย่ยเรียนนี้ก็คงคนระับถ้าสมควรในการคุยกนะเ